เมื่อประมาณปีสองพันห้า้ห้าสิบตอนนั้นก็ที่มหาวิลลยมหิดลสลารายานะได้มีการจัดงานและเลึกถึงวันบรรลุธรรมของโรงพ่เทียนครบห้าสิบปีในวันนั้นก็มีผู้รักผู้ใหญ่ไปกันเยอะนะอย่างเช่นนะดรนวีภารวิไลนะดร ว, วันลบปียมโนธรรมนะ คุณหมออะไรแลท่านที่มีชื่อเสียงในขณะนั้นแล้วก็นักวิชาการไปรวมกันปไปจำนวนมากครับนะมีการจัดงานนิทรศการแล้วก็การบรรยายธรรมและการพูดถึงรมเทียนที่ผ่านมาในประสบการณ์ของอด็อกเตรและนักวิชาการต่างๆที่ได้ประสบพบเห็นได้สัมผัสมรเทียนมาด้วยตัวเองในสมัยนั้นนะนะแล้วก็มีบุคคลเข้าร่วม ง, งานไปจํานวนมาก หลายเรื่องนะแต่มีเรื่องหนึ่งที่น่าส ก, กิจใจนั่นก็คือบอกว่าอ่าตะวันลบนี้ได้ไปศึกษาวิชาการรต่างประเทศมาไม่ไม่นานมานี้นะีแล้วก็ได้พูดวิชาหนึ่งซึ่งเป็นวิชาใหม่ที่สหรัฐอเมริกานะถ้าเราได้ได้ทันตามวิธีนี้ก็จะทำให้เป็นผู้ที่ สามารถที่จะมีความสุขมากขึ้นนะความทุกข์ก็จะน้อยลงนะเราก็ได้ทำทรายดูก็ก็มีการยกแขนขึ้นยกแขนลงนะแล้วก็นำมือมากระทรบที่ท้องที่หน้าอกแล้วก็มีการเคลื่นนอนไหวมือสมาธหมาการเําืนไหก็มีส่วนค้ายวิธีการสร้างสตรีจังหวะนะแล้วก็มีการกระทรบที่ท้องกับที่หน้าอกด้วยนะแลวันลบก็มีวามปลกใจ ว่าทำไมเป็นแบบนั้นไดานะวิชาการสมัยใหม่ของโลกเนี่ยกลับมาคล้ายๆกับวิธีของหลวง ท, ทียนแนละ้วทงถ่ายมันต้องเป็นเวลาทิมประมาณ50าสิปีมาแล้วก็มีความแปลกใจมากนะแล้วก็ได้พูดเสริมขึ้นมาว่าการที่สันมือรร่อกระทบที่หน้าปักเนี่ยก็จะทำให้เกิดความรู้สึกตัวได้ชัดขึ้นเพราะว่าสมสารสกลมมันอยู่ที่สมือนะ แลเมื่อมากระทบผทองอันนี้คือเป็นจุดที่ทำให้เกิดความรักความพอใจนะการที่มือกระทบหน้าอกก็จะเกิดทําให้มีความอบอุ่นใจมีความรู้สึกตัวนะเมือนเวลาเด็กตกใจแล้วก็จะเอามือมากระทบหน้าอกมูหน้าอกนี่ขวัญเนื้อขวัญตัวจะมีขวัญอยู่ตัวเช่นนั้นคนะก็มีความแตกใจอย่างยิ่งเออทํำไมเป็นแบบนั้นหน้าลมาเทียน ซึ่งเป็นพระที่ไม่ไม่ค่อยมีความรู้ในทางโลกนะและเมเวลาผ่านมาทำห้าสิบปีทำไมถึงทำได้ทีนั้นในวิชาการสมัยใหม่นะอันนี้ก็เป็นเั่งที่น่าสะกิดใจของนักวิชาการในยุคนั้นนะแล้วก็จริงๆแล้วเราก็จะสังเกตเห็นว่าห้าปีสองร้อยตูนนงกับ50สปีที่อยูงพ่อเทียนบาเข้าถึงทรรนั้นก็เป็นปี สุดานั้นเขาถึงทำประมาณปี2 5 0 0นะ้าะซึ่งเป็นยุคเกิดพุทธกาลนะเพราะถึงการนี้มีสมัยพุทธการนี่ถือว่าอันนี้ยุคนี้ห้าปีนะเพราะนั้นเกิดพุทธการก็ประมาณปี 2,500 นยะทสามรารถเนะขทาทในปี 2,500 นะก็มีพุทธทุมงานดูว่านะอันนี้เึิการพรทกาลนะก็จะมีการพระสารา น, นๆๆี้ก็จะเริ่นรเรีรมเนมอครั้งหนึ่งนะ ซึ่งหลวงพ่อทึงก็ได้เข้าทึงทในปีนั้นดูดีนะและจริงๆ้ะเราปีนั้นหลังจากที่สองพันห้าเป็นต้นมาเนี่ยโฆษณาก็เน้นเจริญ จ, จ, จริงนะมีความเจริญงินนขึ้นมายันเงินเร็วยิ่งกว่าสมั ย, ยต่างๆที่ผ่านมานะอันนี้ถ้าเป็นเยุคเก่าๆ น, นี่เราจะเห็นว่าอนนาจจะมีความขับแคบหรือกุราจันในยุคยที่ผ่านมาก็ไม่ได้วา่าไม่เก่งแต่ว่าเก่งอยู่ เการมาบัตรทำของท่านอาจจะไม่ใาในเขามากนะและก็การพนทาทำและก็คงจะน้อยลงนะไม่ได้แกลางความกับทุกวันนี้ครูนะบาอาจารในทุกวันนี้นะท่านก็เก่งในพระสมัยก่อนแล้วก็เริ่มเทคนิคขึ้นมาอีกมากมายนะนวิธีการของหลวงเทียนนี่จริงๆก็ไม่เหมือนกับที่ไหนในโลกนะอาจจะมี็นวิธีการเดียวในโลกก็ว่าได้ที่มีการสร้างสติจังหวะขึ้นมานะ อันนี้ถ้าว่าจ okay. like ะถูกน ouais. ี่จ <questionnaire> ะผิดอันนี้ก็เป็นเรื่องอีเรื่องหนึ่งตูวผู้ผิก็เป็นอีเรื่องหนึ่งแต่ได้มาทำแล้วเนี่ยผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรนะเราก็ดูผลที่เกิดขึ้นทุกผลที่เกิดขึ้นมันไม่ผิดจากหลักกฎวิธีว่านะเป็นการพลเทีงความละกิเลสอันนี้ก็ถูกต้องทุกูุกวิธีการนะดูที่ว่าในผลสุดท้ายแล้วเป็นอย่างไรนะเพิธีการสร้างสติวันนี้อาจว้ถือเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของพวกเราก็ว่าได้นะ นี่ถ้าทำไปแล้มันเกิดเป็นยังไงนะครูอาจารย์ท่านก็มีหลักให้เราเห็นอยู่นะันเช่นอนุโมทิย์อนุคำเขียนต่างๆนะท่านก็แสดเราเห็นถึงความวาที่ท่านเป็นผู้ที่ละอาจากความที่เป็นไร้าอาจจะเป็นความกิเลสหรือว่าปัญหาทั้งปวงได้จากในระดับหนึ่งนะขึ้นมาว่าไม่อยากแม่จะพยายากรอนได้ในที่นี้นะตอนที่ท่านสดงหันก็สามารถที่จะเข้าไงจุดนั้นได้อยู่นะ แล้วจริงๆเราไม่ไม่ใช่เฉพาะครูบาอาจารย์นัตเทศกเราเองในที่ปฏิบัติในระดับหนึ่งแล้วเราก็จะเห็นว่าเป็นคนทานที่เราจะทําให้เกิดเนรดเงนลดรึม่ยิ่จริงๆนะอันนี้เป็นใจในเวาที่สูดด้วยตัว เ, เองสมมําหรับนักปฏิบัติที่ผ่านมาแล้วหลายปีนะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วคนทานเนีขนขน่ยมันเป็นคนทานหนึ่งที่ง่ายงในยุคนี้นะครูบาอาจารย์ไม่ยกหน้าถ้ามีวิธีการเยอะมากกว่าสมัยก่อนเยอะสมัยก่อนเขาจะเน้นในเร่องการฝังสมาธิในเป็นหลัก แต่มาถึงในยุคนี้มันจะมีวิธีการต่างๆหลายระยางแต่ละสำนักนี้ก็แตกต่างกันนะอันนี้จะว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีก็ไม่ถูกนะเพราะว่าจิตของเราแตก่างกันเยอะเลยนะบางคนอาจจะชอบความสงกนะบางคนอาจจะชอบความรู้สตอบางคนก็ชอบสติบางคนก็ชอบบูจิตนะบางคนก็ชอบอึกทัมรวหายใจต่างๆรู้เท่าทันรวมในเท่าทัี่ออกที่เรียกว่าอาณาปัญสตินะ ดางคนก็ชอบที่จะฝึกเพื่อให้รู้ตัวชัดเจนนะเช่นไอ้ทำไรืชอยๆนะมีการกำนหนดนะการจดจ้งไปในแต่ระบทเพื่อให้รู้เท่าทันในแต่ละขณะอันนี้ก็ไม่มีส่วนใดที่ผิดถ้าเราบบอมท้ายในการปนิวัตินะรบบธรรมนะว่าจะอยู่ตรงใครจะตรงวิ ธ, ธีการไหนก็ไม่ผิดนะแต่เมื่อสุดท้ายแล้วเราละเขินได้ไหมนะ มันไม่เป็นจนุดสาําคัญเพราะฉะนั้นวิธีการต่างๆนี้ก็จริงแต่สําคัญมากตรงกัจิิณิตเราไห้นะถ้าเราปฏิบัติแม่เราประสบแม่เรากิเลสเราเดินเท่าเดิมนะที่น่นความกลัวก็เท่าเดิมความโลภก็เท่าเดิมนะอันนี้อาจจะไม่ตรงกับจิติิตของเรานะหรือแม้จะเท่าใบิมมากจะมีมากขึ้นด้วยนะเพราะฉะนั้นอันวิธีการต่างๆเนี่ยตรงกัจิติณิตเราไหมนะเราต้องดูว่ากิเลสของเราแรงขึ้นไหมไหมความโลภความกลัวความดื้อแรงลึ้นไหมไหม ถ้าเราลดลงไปก็ใช้ได้นะไม่ว่าที่วิธีการใดนะถ้าหาว่าเรารู้สุขละดลองความกโ ก, ก็ละโลภความเบ ก, ก็ละโลภ ก, ก็ใช้ได้แล้วนะอันนี้นะแสะดงว่าตรงกระตือรือ้นแล้วนะเขามาจะหยุดยนะมไม่ได้ไหมว่าทําแล้วจะสงบนะหรือไปหินนี่ไม่ต่างๆไปท่องเที่ยวในสถานเล่องต่างดูใช้จิตนะหรือเกิดอนะิริตาบถนะหรือทิพตาทิพยนี่นก็ไม่ใช่นะเพราะฉะนั้นก็ดูการละกิเลสเราเป็นหลักนะทําล้วเกลียดลไไันไะด้ไหม ถ้าเราไม่สังเกตในตัวนี้แล้วก็จะซื้อมาไปมากๆนะอาจจะตลอดชีวิตเราก็ซื้อมาลงทางไปนะแล้วก็แทนที่เราจะรู้สตินีจริงๆแล้วมันเป็นวิธีการที่มันไม่ยากเพียต่เรเริ่มต้นด้ถูกทางด้วยนั่เองนะหรืวต้นไม้นะในยุคนีะในในฤดูกาลเนี่ยถ้าใครจะปลูต้นไม้ต้องปลูกในฤดูนี้คือฤดูฝนนะพอเรามีต้นกล้าลงมาปั๊บเนี่ยเราเพีงที่ไม่ต้องรดน้ําเลยนะก็จะมีฝนตกให้บ่อยๆนะตกทุกทุกวันนะ พอผ่านฤดูฝนไปแล้วในสามสี่เดือนนะจากต้นก้าเนี่ยมันก็จะเริม่มโตมาเองนะมันสามารถที่จะรากมันจะลงเป็นเล็กจนหากินได้เองนะแล้วเมืเอามา่อมันรดน้มันก็โตมาได้เองนะเพราะงั้นใครที่ปลูกต้นไม้นิ้วดูเนี่ก็มีโอกาสที่จะรอดได้นนะ <Okay. S 1> เพราะงั้นการจลศรี ก, ก, ก็เหมือนกันนะจริงๆแล้วแล้วก็คือใ น, ในิ้วดูฝนหรือข้าวตองสาเนี่ก็เป็นฤดูที่เราจะปลูก ตดรู้สติกันนะครับปกสติให้โตมันหนต้นไม้ต้นกล้าเนี่ยล่ะก็จะโตได้เร็วนะถ้าเราฝึไม่ถูกทางหรือทำได้ถูกทางที่ครูบาอาจารย์เป็นนันำนะวิธีการต่างก็เป็นเทคนิคที่เราต้องเข้าใจก่อนถ้าเราไม่เข้าใจเทคนิคเราก็ต้องพยายาศึกษาค้นคว้ารู้ทางครูบาอาจารย์เพื่อรู้เทคนิคเหล่านั้นนะถ้าเราเรียนเทคนิคเข้าใจเทคนิคที่ถูกต้องแล้วเนียเราก็จะเร่งความเพียรต่อไปนะโดยการเอาความเพียรมาทําให้เทคนิคเหล่านั้นเกิดผลขึ้นมานะ ความเพียรก็เหมือนกั บ, บ, บเป็นฝนฝนก็ตกลงมาเทคนิคน้ําก็มันก็นปุ๋นะต้นไม้โตได้หนุ่มขึ้นเท่านั้นเองนะไม่มีอะไรมากไปกว่นั้นเลยเพราะฉะนั้นก็ต้องเข้าใจในเทคนิคนะแล้วความเพียรนะมันก็จะเติบโตพอเราเข้าใจในเรื่องการเจาิญสติแล้วเนะี่ยหลังากนั้นมันจะโตของมันเอง น, น, นะมันจะเดินหนุทานของมันเองนะเราไม่ต้องไปไปช่วยมันมากไปช่วยได้เลยหรือเหมือนกับเราจะขึ้นรถเมย์ เมื่อเินทางที่ไปกรงเทพนี่แหะเราแค่เห็นป้ายกรุงเทพไหนมา ก, ก็ไปถึงปลายทางได้เองนะเราก็ไ ม, ไม่ไม่มีความลำบากในการเดินทางนะขอเราปฏิบัติให้ถูกทางแล้วก็มีความเพียรท่านั้นเองนะคราวนี้มันเป็นยังไงนะยังวิธีการบางอย่างที่อาจจะมาว่าเคยผ่านมาก็เป็นการกดจีนสมถะอันนั้นเป็นวิธีการที่ยากมากนะานบางคนบางทีมันก็จิตสบงบบ้างจิตไม่สงบบ้างนะ ที่ฝึกนานหลายปีจิตเกื้อมาสมอก็มีนะตรงไหนต้องร่อนต้นใหม่ทุกครั้งนะอันนี้อาจารย์เราก็ไม่มีบารมีในการนั้นมากก็ได้นะแต่มาฝึกในนานตามปกตินี้ใช้เวลาไปไม่นาน น, นนะใช้เวลาไปไม่ น, น า, น, นะา น, น, น, นมันก็สามารถที่จะเข้าใจอะไได้เยอะขึ้นนะมันจะเปิบโตเรื่อยๆเป็นลักษณะเป็นแบบเป็นบันไดนะเป็นบันไดที่มันขึ้นไปมันไม่ใช่เป็นลักษณะที่ว่าขึ้นขึ้นลงแบบการเจริญสมถะนะ เรื่องที่เราทาตัวท <Yeah. S 1> ้ายมันจะคล้ายๆเป็นกราฟที่มันจะขึ้นไปเรื่อยนะแต่คารนักกราขึ้นไม่ใช่หมายของเราต้องรู้สักตัวตลอดเวลาก็ไม่ไม่จําเป็นนะแต่ถ้าเราทําบ้างรู้สักตัวตลอดเวลามันก็ดีแต่ส่วนหนึ่งที่มันจะเป็นกราฟที่มันขึ้นมปอยู่ประจำก็คือเราสามารถที่จะเข้าใจจิตใจเราได้มากขึ้นนะเราจะเห็นจิตใจที่มันเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละครั้งแต่ละขณะได้เร็วขึ้นนะแต่การที่มาก่อนต้องให้มันแรงก่อนเช่นความโกรธก็ต้องมีความโกรธเกิดขึ้นก่อนเขารู้ทันนะ พี่นะมีความอดีตเล็กน้อยนี่เราบรรลุธรรมแล้วนะนะดูความยินดีว่าเมื่อก่อนจะต้องอมีความดีใจขัญความรู้ว่าเราดีใจแต่เนมะื่อเรามีสติมากขึ้นแค่เราพอใจเล็กน้อยเราบรรลุธรรมแล้วนะอันนี้คือการที่เราสามารถวิรลุธรรมในจุดตรงนี้คืออารมณ์แรงน้อยที่เกิดขึ้นอันนี้คือการนะคือการที่มันเกิขึ้นโดยทุกครั้งเลยนะตัวนี้เรเป็นสินส่งสำัญที่จะพัฒนาวิจิตรแล้วเนะี่ยดูความละเอียดขึ้นนะดูธรรมในบางต่างได้เรขึ้น เพราะจริงๆแล้วการละกิเลสนั้นเราจะตั้งใจละมันไม่ได้เลยนะแต่ว่ากิเลสตัวไหนๆเช่นความโกรธมันอาจจะละบ้างต่อไปไม่ได้นะเมราะว่ามันจะไม่เกิดขึ้นนะแล้วมันเกิดขึ้นอะไรเราก็จะไม่รู้ด้วยนะแต่เมื่อใดที่มันเกิดขึ้นแล้วเราสามารถที่จะรู้มันได้นะเราเนี่ยรู้ได้เมื่อเรารู้แล้วมันก็เป็นการละไปในตัวนะกิเลสเนี่เราไม่ได้ไปละเราแค่เรารู้มันก็เป็นการละเป็นตัวแล้วเพราะฉะนั้นการละกิเลสก็คือการที่เรารู้ทํากิเลสนั่นเองนะรู้ทำรู้เร็วเนี่ยกิเลสมันก็จะเป็นการลละะไปแ้ว ส่วนแมทุกอยางมันไมถูกถูกต้องแลนะ้วเนี่ยมันเป็นการละ ก, กิเลสในตัวนะละไปเรื่อยๆเลยละ ก, กิเลสทุกอย่างที่เกิดขึ้นในใจเราอไม่ว่าจะเป็นความโล้ความกดความหลงในอิจฉารักษณะความน้อยใจความเสียใจนะความหงหวงความกุ้มใจนะทุกอย่างเนยนะคืออารมณ์ที่มันมันกระเพื่มขนในใจเราหรือนะี่ตามหลักธรรมะทุกแม้ว่าเจติสิกนนะคือความปุมตั้งจิต ทุจิตแล้วเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นสุภาพตัวหนึ่งแต่มันมีความตรุงแต่งนิดยะสภาวะความตรุงแต่งนั่คือเจตสิกที่มันเกิดขึ้นมันก็ปรุงไปในทางดีบ้างชั่วบ้างเนี่ยแค่เราลู่ทันมันนะเนี่เป็นการละกิเลสเปตัวแล้วเนี่ยลู่ทันมันก็เขาคือละไปละไปนะมันก็เมื่อมาถึงนมันอาจจะสักวันหนึ่งก็คงจะหมดเป็นที่สุดนะอันนี้ก็คือเหตาผด้วยว่าเป็นไปการที่เราจะพ้นทุกได้นะจะพ้นทุกได้จรอย่างท้าจริงนะ ส่วนอย่างอืนที่มันจะตามมาก็เยอะแยะนะเช่นเห็นรูปเห็นหน้าเห็นความเกิดดับนะนันเป็นเรื่องธรรมดาที่มันจะต้องผ่านไปนะแต่ในระยะนี้เราก็ไม่ไปสนใจมันหรอกนะเราสนใจอยู่กับเออความเป็นปัจจุบันในขณะนี้นกแล้วกันอเช่นฐานกายานะฐ า, านกายเร า, าเริ่มต้นฐานกายก่อนนะคือฐานกายเป็นพื้นฐานในการ ท, าที่เราจะอาศัยฐานกายเนี่ยมารับรู้นะรับรู้การเคลื่อนไหวงฐานกายนะ เพจริงๆเราก็ขึ้นไปมตาตลอดชีวิตเราตั้งแต่เราเป็นเด็กนะมีการเดินการยืนการนั่งการนอนบันทะึกงานทำอะไรเยอะๆอะไรแต่เราก็ไม่ไม่ค่อยรู้ ว, ว่าเราทําอะไรนะอันนั้นก็ชื่อว่าเราหลงไปนะครูเจ้าจึงทรงให้การยานุพัสสนาวิจิพฐานนะก็คือตัวแรกเลยก็คือวิมญญานกายก่อนนะก็คืออ่าชีวิตใหญ่นะอีบทใหญ่หลายเช่นการเดินยืนนั่งนอนในบทใหญ่ก็ไม่รู้ว่าเราการทําอะไรอยู่นะ<อ><อ> อ, ย อ, ยยอดยทั้งหลายเดินกินพูดคิดคู่แขงเหยียดแขนกุง้งมต่างๆแล้วนีเป็นบอดย่ยก็ไม่รทันนะก็คือไม่รู้ทั้ ง, ทงบทใหญ่และอิบอย่อยนั่นเองรู้การขึ้นไหวแล้วานี่้ต่อเนื่อง น, น, นะท่บอกว่าท่นหาวารู้สิฉะนีรูต่อเนื่ อ, อนนงก่าานนะอย่ารู้ก็ไม่เกิน7จดวันอย่างกาลไม่เกิน7จดเดือนและอย่างชาไม่เกินเจปีก็จะบรรลุเป็นพระหันหรือเป็นพระนาคามีอย่างใดอย่างหนึ่งะเราเห็นมากหรือจริงๆก็ การสอดคล้องกับพรตัยดกนะว่าเรามีการรู้ ก, กันขึ้นไหวหรือนะถือว่าเราจะสร้างขึ้นมาเองเช่นสติหวานนี่เราสร้างขึ้นมาเองก็จริงแต่ถ้าเรารู้ตามาเอารู้ตามก็ถือว่าเราก็ไม่ผิดนะผิดการที่เรารู้ตามนะี่ในสติปัฏฐานสี่เลยนะที่ว่าเราก็ทําตามที่พระเจ้าศาสั่งสอนไว้นะอันนี้ถ้าเราทําตามสิ่งเหล่านี้เอาฐานกายเป็นหลักก่อนนะรู้ ก, กันขึ้นบนหลงกายนะในบาแนีาา ye, บางทีเราอาจจะ ก่าจะเล่นตัวมันยากเนกันนะออมันยากเพราะว่าเราเราทำตามความเคยชินมากกว่าเช่นบานที่เรายกมือนะก็ทตามควาเยชินนะแต่เราเราย ก, กบอนเถียง น, นะถ้าใครคยเค ย, เคย ด, ดูวอลงมอี น, นะคือหนังอ่าเทปวิดีโอบนหมอยสมัยก่อนนะจะเห็นว่าท่านจะยกมือนะแต่ละครั้งมือการเคลื่อนไหวศัลรกรรมทุคนต้องใช้านิดหนึ่งจะไม่เร็วนะท่านจะเคลื่อนอย่างมือตดจริงๆแลนะมีการเคลื่อนแล้วมันจริงๆนะ แต่ยังไงนั่นจะช้านะยกมือก็ค้างไว้มีการค้างอยู่แล้วก็ช้าด้วยนะอันนี้เป็นการที่ทําให้จิตเกิดความตั้งมั่นในโยกนะจิตเกิดความตั้งมัน่นนะเพราะการที่เราจะมีสติก็ทจะมีสมาธิด้วยกนะ็เรยกว่าจิตตั้งมัน่นอ่าตบะที่ก็คือคำวามมา่าจิตตั้งมั่นนั่นเองนะมันจะรู้สึกตัวได้ชัดขึ้นนะเพราะฉะ น, นั้นวิธีการสมาธิ น, นะถ้าเราสังเกตในบทหลวงธรรมนนะั้นท่านจะขึ้นบ่อช้าไม่ไม่เร็วมากนะ ถ้าเราทําตามนั้นเราก็จะมีความรู้สึกสตวัวได้ที่ชัดเจนนะปฏิบัติตมั่นตั้งมั่นขึ้นมานะนนถ้าเราทำได้อะถูกต้องแล้วเนะี่ยมันก็จะก้าหน้าเร็วนะแล้วก็การที่มันจะต่อเนื่องเป็นลูกโซ่เมันก็จะไวด้วยนะพอเราทําได้แล้วเนะนี่ยเราถ้งเราผัวผัวที่ไหนอาจะเดินลุกปั๊บนะไปในห้องน้ําะอาบน้ำํำปังปังก็จะรู้สึกตวัวได้เองโดยเราไม่ต้องตั้งใจนะ คือมันจะเคลื่อนเหวอยเป็นเลื่อยงอยม้าตากระพุกตาปากมันก็รู้สึกได้ของมันเองนะโดยท้วไนัตตาใบตางใจว่าจิตมันจะละเอียดที่จะไปรู้ฐานกายนะรู้ฐนกายมันจะเข้าไปในโูนในฐานเวทนานด้เองนะส่วนจิตฐานธรรมมัได้หมดเลยนะเวทนาอะไรอื่นนเวทนากระสักนะว่าเวทนาความเก็บความเปิดความเมื่อยพวกนี้ก็เวทนาแล้วมรู้ทันแล้วก็ปล่อยไปไม่มีอะไรนะก็ผ่านได้หมด นั่งานา น, า น, านาก็ปวดเมื่อยก็ไม่เป็นไรเนส้อสมอเกิดแล้วก็ดับไปนะเป็นเรื่องที่เราองผ่านตลอดนะถ้าผู้ใดไม่เคยผายนาก็ลองลองดูนั่อาจจะนั่งท่าเดียวก็ได้นา น, นานๆสักชั่วโมงหนึ่งเนะี่ยก็มีนเมทนาได้ชัดนะน เ, นเนี่ยจิ้อยเวนาในจริงๆก็เกิดและดับไปได้นะเพราะงั้นการที่เราพเวทนาเป็นจริงดีๆพวเราจะเห็นทุกได้ชัดขึ้นนะ เราหาเรามาก็เพื่ออะไรเพื่อแก้ทุกข์ตัวเองนะจะเห็นทุกข์ได้ชัดอันนี้คือประโยชน์ของรเวทนานะพระเราจะเห็นทุกข์ได้ชัดขึ้นนะเวทนานั้นก็มีสามอย่างคือสุขเวทนาทุกขเวทนาแล้วก็อัตุกรรมสุขก็คือแบกข้ามรู้เฉยๆนั่นเองนะจะได้เห็นพวกนี้ว่าเออจริงๆแลนะนะมันก็มีแล่ความทุกข์เท่ น, นั้นเราได้ไม่ประมาทนะะหลังนั้นเราก็จะผ่านเข้ามาสู่ฐานจิตนะัคือจิตตันฑ์กสนาก็คือเราจะเห็นอันสุดท้ายที่จิตคือมันอย่าคิดไปนะเห็นอ่า อไรต่างๆความรักความรว่งความช่างทุกาย่างเลมื่อกี <spirit> ้ท <t Cent> ี่พูดมาเราติดวุนมันชัดเจนขึ้นนะจิตตั้งมั่สนาแลติุธรร่อบอกว่าเออมีโลภะก็มีโลภะไม่มีโลภะก็ไม่รู้ว่ามีโลภะนะมีโทสะก็มีโทสะไม่มีโทสะก็รู้มีโทสะจิตตังมันงรู้ว่าจิตตังมันจิตไม่ตั้งมันก็รู้ว่าจิตไม่ตั้งมั่งอันนี้คือเรารีรู้สำนวนจิต นั่นเองนะจิตขณะนั้นเป็นอะไรไม่ีความโกรธกันไม่มีความโกรธกังวนะจิตไม่ตั้งมัน่นคือจิตฟุ้งซ่านกัรู้คิดไปแลกกัทวล น, นะอันนี้ก็คือฐานจิตที่มันจะได้เองนะแต่วันนี้ก็จะเห็นสำหรับว่าที่มันเกิดกระดับของสภาวธรรมทั้งหลายที่ว่ามานั่นละทั้งความคิดความฟุ้งซ่านต่างนะความรักความชางังความโกรธ ก็เกกระดับๆก็เข้าสู่ฐานธรรมในตัวน ะ, ะเมื่อนั้นเราเร่งเติมฐานกายเท่านั้นเองมันก็จะเข้าสู่ฐานทั้งหมดเลยจิตฐานและเวทนาก็จะเข้าสู่ฐานต่างๆเล่านั้นได้โดยตัวมัดเองนะนี่เป็นวิธีการที่วิธีการง่ายๆที่คระบาอาจารย์นั้นก็นําขึ้นมาเสนอกับพวกเรานะถ้าเราถ้าเราไม่ได้วิธีการเนี่ยมันก็จะช้ามันก็จะช้ามากที่เอาจะเข้าถึงฐานจิตจริงๆเพราะจริงๆแล้วเราเริ่มฐานก า, กายก็จริงแต่มันจะเข้ามด ประเด็นที่งๆนจะเข้าสู่ฐานจิตนะจะไปจบที่จิตนี่แหละหลวอเทียนนั่ก็บอกว่าเออดูกายดูจิตก็คือเรื่องของจิตนั่นเองนะดูดูกายเห็นจิตนะดูคิดเห็นธรรมนะก็คือดูกายแล้วมันก็จะมาเห็นจิตด้วยนะมอดูคิดก็จะเห็นธรรมนะดูดูคิดเห็นธรรมก็คือเมื่อดูในฐานจิตแล้วก็จะเห็นธานมธรรมก็คือธรรมสมาวะเกิดดับนั่นเองนะมันจะจบอยู่ในจุดนั้นนะแล้วกา นร่งต้องทีฐานกายก่อนแล้วมานจะเหฐานทั้งหมดนะก็ไม่จะไปไหนนะก็ในโลกนี้ก็จะจบที่ฐานจิตเหมือนกันนะเราติดวนเวีนได้เร็เพราะอะไรไเพราะว่าอันนี้เขาเรียกว่าเป็นวิหารธรรมของเรานะถ้าเรามีวิหารธรรมไม่ถูกต้องมันจะช้าน ะ, ะเช่นบ้านเรานั่งเฉยนะอันนี้จิตก็จะเลื่อนลอยไปเรื่อยๆนะคิดนู่นคิดนี่ไปทั้งวันก็เรื่องหลงไปนะเพราะบ้านไม่มีวิหารธรรมนะวิหารธรรมก็คือเครื่องอยู่ของจิตนะเป็นบ้านของจิต จิตมีที่อยู่มีที่อาศัยนะนี่เด็กนะถ้าเด็กไม่มีบ้านอยู่เด็กก็จะตะลอนตะอนเที่ยวทั้งวันไม่กลับบ้านนะแต่เมื่อเด็กมีบ้านอยู่เด็กก็ไปในกลก็กลับมาที่บ้านอีกครั้งหนึ่งนะเพราะนั้นการที่เรามีมหาทธนรมเคร่องจังหวะรือด้วยมืกลมเนี่ยทำให้จิตมันมีที่อยู่นะมีเครื่องรู้นะมีที่อาศัยมันก็จะง่ายขึ้นนะแล้ววกาใช้ตัวนี้เป็นวิหารธรรมด้วยนะ มันก็จะเป็นเกาะป้องกันเรานะวิหารทํานี้มันจะเป็นเกาะป้องกันเรานะป้องกันให้เราเนี่ยไม่ใส่ใสายข้ามายนะารมณ์ต่างนะมเมื่อเรามาอะไรต่างๆต่งางใช่ไหมก็รู้ทันในวัยขึ้นนะก็ใส่วิหารธรรมตัวนี้เป็นเครื่องหลบฝนนะมีบ้านเราเนี่ยฝนตกก็ไม่เป็นไรเรามีบ้านอยู่ถ้าไมื่อเรามีบ้านไม่เป็นไรจับฝนเพรา ะ, ะนั่นเมื่อเรามีวิหารธรรมแล้วก็ไม่เป็นไรจะกิเลสมอนกันนะเพวาะกิลได้จริงๆมันจะวดเราทุกๆวันอยู่แล้วนะ มึงลดมาจนเคยตัวเราถ้ามันไม่ลดเราไปนี้เราไปนิพานไปนานแล้วนะใช่ไหมมึงลดในใจเรามานานแล้วนะกิเลสเนี่ยจริงๆก็มีสาตัวที่เป็นหลักหลักใหญ่ก็คือความโลภหรือราคะนะความยินดีพอใจทั้งหลายความอยากได้นะความรักนะเมื่อใครมาชมเราแล้วก็ดีใจอันนี้ก็คือราคะหรือความโลภทั้งหมดเลยนะหรือก็โทรศัพท์นะโทรศัพ์ก็ยังมีความโลภก็มีความไม่พอใจ นะความกังวลความไม่ต ก, ตกความหวงหวั อ, อความอิดชา้าความกุ่มใจใ<ช>เป็นความทุกข์ทัมม้งหมดเลยนะนนี้ก็คือทุศักดแล้วถ้าเราไม่รู้ว่าขณะนี้เราโกรธแล้วขนาดนี้เรารับขนาดเรนเราเม่งอยู่ขนาดมันเราเคลื่อนไหวอันนี้จะเป็นโมหะคือความไม่รู้หรือความหลงนั่นเองนะอกิเลสมีแค่สามตัวหลักๆคื อ, อกุศ ล, ลนะุนคือโลภคนหลงนิวาทะทุศักดิ์โมหะเท่านี้เองนะ นะเป็นสิ่งเราจะต้องเข้าใจมันม น, นะยิง่งเราจะรูส้สติได้มากขึ้นเราจะเห็นพวกนี้ได้ชัดว่าจะแยกไปละเอียดโดยตัวเราเองนะจตะแยากได้เลยว่าเออขาะนี้เร า, เ, ราเป็นอะไรอ่ขาขณะนี้คือนในใจเราอ่าคะขนาะนี้คือรักษาขาะ น, นี้คือโมอหะเร า, าเราจะแยกได้ชัดจนของเราเองนะคือจิตวิญญาณเขาค่ยๆละเอียดไปเรื่อยๆนะอันนี้ดูยิ่งยิ่งชกินไหนกินเลยยิ่งกินแล้ไม่ได้นะคือเราเขาก็เขารู้จักมันมากขึ้นนะถ้าเราไม่รู้จักมันก็จะอยู่ในใจเรานานนะ มันจะออกลูกออกหลานเป็นยะแะเลยความโกรธมาสาวมาปุบ อ, อลูกออกหลานเป็นความงมนงความขัดขืงความน้อยใจความเสียใจความอิดชัยความบูงหวงต่างๆเยอะแยะนะก็เาเรารู้ไม่ทันอิวาามันนั้นเองนะเพะีเยะแค่พียงแค่ เ, <ค>เรารู้ทันมันท่านั้นแนะมันจะอยู่ในใจแล้วไม่ได้แล้วนะถูกมแค่เรารู้ทันก็มกาเป็นเจ้าของว่าสับเปลี่ยนข้าวหนะึ่ง จะมีขโมยเข้ามาขโมยสินค้าทุกวันเราก็ไม่รู้ว่าใครเป็นขโมยนะของเราก็หายแล้วก็มีความทุกข์นะตมามนี้เราเรรู้จักขโมยนะเออขโมยมากตอนมันแบบนี้น ะ, ะคนนี้คือขโมยนะพอเรารู้จัก c, มันจะอยู่ในห้างเราไม่ได้หรอกมันหนีทันทีเลยนะมันกินเลยเ ห, อ, เหอนกันเมื่อเรามารู้จักมันมันก็จะอยู่ในใจของเราได้นานนะเช่นความโกรธนะถ้าเรารู้จักมันเราก็จะดูกับมันได้นานเลยมันก็อยู่ในใจเราด้วยนะ ในบางทีเราจะมีความสุขที่มันอยู่กับเราเรนะรู้สึกว่าเออเป็นสิ่งดีนะนะเรามีอำนาจนะเรามีความโกรธมีอำนาจใครๆก็กลัวเรานะเพราะเราไม่รู้จักมันนะไม่รู้จักโทษของมันนั่นเองนะแต่เรารู้จักโทษรู้จักมันก็คนะืมันจะอยู่ในใจของเรานะไม่ได้นานนะอันนี้ชีวิตการง่ายๆที่เราสามารถที่จะเอาชนะกิเลสแล้วก็ให้กิเลสหมดไปจากใจนั้นะเรานั้นสุขนะถ้าเราเดินถะูกทางแล้วนะมันก็ไม่เป็นไะรนะนะนะนะ มันก็ต้นไม้เนมันก็ค่อยๆโตขึ้นนะนะพอปลูกดูทางเนี่ยปลูกดูวิธีเนี่ยโตขึ้นเรืยๆเนี่ยให้ดอกให้ผลนะมีมะม่วงเรากินนะมีผักชีมีชมพู่มีทุเรียนเรากินนะนี่นก็คือความสุขที่เราจะได้จากการปฏิบัติธรรมนะเมื่อมันให้ผลแล้วเนี่ยมันก็เอาผลไม้ มีความลำบากมากเกินที่จะมานั้งยกมืสุขจังห่วะรู้สึกลำบากกันก็มาเดินจงกรมนะมันคล้ายๆมีความทุกข์นะแต่จริงๆว่็มันก็ไม่ใช่ความทุกข์นะแล้วเมื่อมันสงบแล้วเราจะมีความสุขนมีความเบิกบานมีความปิติจากการที่ามาปฏิบัติธรรมเนี่ยจริงๆก็ไม่ต้องรอให้เราปฏิบัติถึงที่สุดหรอกถ้าเราปฏิบัติถูกทางแล้วนะเรนก็มีความสุขคือก็เรียกว่าถึงได้ลมได้ลม พอได้วัปุ๊บเราก็เดินได้นานๆหลายชั่วโมงก็เดินได้นะมีคนเดินได้ถึงสิบชั่วโมงกนมีนะแต่พวกโน้นนี่เดินได้นะหรือมั่งสช้เวลานๆก็ทําได้เหมือนกันนะเพราะเขาละเขมีความสุขนะเขาไดให้มิติปิติแล้วประสุขกับเราในเราจะได้นานๆนะเพราะฉะนั้นเมื่อไปบรรลุเนี่ยมันไม่ได้หายตรงไหนมันก็สะสมในจิตถึงเรานะท้ายที่นี้เราไม่ได้บรรลุถึงความเป็นพระอริยเจ้าระดับใดระดับหนึ่งนะไม่ได้เป็นพระโสดาสกิทา นาคามีหรือผ้าหันชาติแม่มันาาามาก็ไม่ยากแล้วล่ะนะไม่ยากแล้วเพราะเรามีเชื่ออยู่ในใจแล้วเนะี่ยพอมีเชื่อในใจแล้วในะชาติแม่มันมันเริ่มต้นมันจากเหมือนก็ว่าเราไม่ได้เริ่มต้นที่เลขกหนึ่งนะแต่จะเริ่มต้นที่เล็กหนะ้าหรือเล็กหกเพื่อที่ไะเป็เล็กสิบนะหรือจะเริ่มต้นที่เล็กแปดเล็กนะ้าไปเลยนะอย่างครูบาอาจารย์ทุกวันนะี้ทุนสําเร็จทำไ้เร็วนะอย่างหลวงพ่อเทียนนะจริงๆว่ทุนมรู้ทุนแค่ที่เวลาเพลินหนึ่งรู้สามวันเป็นอย่างมากเท่านั้นเองนะ ไม่อยากใช้คําบรรลุธรรมเอาเข้าถึงธรรมแล้วกันนะเพราะเพราะใช้คำบรบรลุธรรมก็อาจจะคล้ายๆว่า เ, าเป็นการโอร้อวดเกินไปนะครูบาอาจารย์ต่างๆนะที่สามารถที่จะเข้าถึงธรรมได้เลยนะท่านจะมีบารมีเก่านะไม่ใช่ท่านมีชื่อนี้แต่ท่านทำมาหลายหลายชื่อแล้วนะเหมือนกับน้ำที่มันต้มมาจนก็จะเดือดแล้วเพราะต้มนิดมันก็เดือด น, นะนุต อ, อย่างเช่นพระพ า, า ย, ยะเป็นต้นนะพระพายยะนี่อ่า แต่นประวัตินิชาิที่ผ่านมาก็คือท่านเป็นพ่อค้าทุ่หนวดสำเพลนะและวันหนึ่งก็ไปค้าขายทางสำเพลก็บอกว่ารถล่มนะแล้วท่านก็ว่ายน้าขึ้นฝั่งเนะื้อตัวก็ไม่มีอะไรติดตัวมาเพราะว่าเสื้อผ้ากระดุกรุ่ยหายไปหมดก็เอาใบไม้มาติดตัวะจ้ใบหิ น, ะ ก, นหก็เข้าใจว่าเป็นพระหรันนะแต่ตัวท่านเองก็รู้ว่าท่านไม่ได้เป็นพร า, า ห, ารหันหรอก แต่ท่านก็รับตำราไปแต่พอดีวันหนึ่งก็มีผู้มาบอกว่าขณะนี้พระพุทธเจ้าเกิดขึ้นมาในโลกแล้วเนี่ยพอได้ยินคำว่าพระุทธเจ้าปุ๊บเน่ยท่านรู้สึกก็ทนทนดูไม่ได้เลยนะที่นั่งเดียนทวนไปฟงพระพุทธเจ้าเนเดีนทวนทั้งวันทั้งคืนไม่งไปพระพุทธเจ้ากำลังบินบ่อดูที่ถนนแล้วก็ไปขอฟังธรรมนะพระพุทธเจ้าก็ไม่แสดงธรรมเพราว่าสถานที่นี้ไม่ใช่ที่เราจะแสดงธรรมแต่เดี๋ยวกลับถึงวัดก่องก็จะแสดงให้ฟัง ท่านขอถึงขณิสารถึงทรงแดงทำให้ฟังเพียงสั้นๆว่าเห็นก็สัตว์ว่เห็นได้ยินก็สัตว์ว่ได้ยินทราบก็ ส, ตสัตว์ว่ทราบรู้ก็สัตว์ว่รู้เมื่อนั้นท่านจักไม่มีในพบทั้งหลายนะก็สามารถที่จะบรรลุปรรลัเพียงแค่ประโยคสั้นๆไม่กี่ประโยคนี้เองนะ แค่ไม่กี่ครั้นะท่านก็เป็นบุุนาแล้วจนทุกพุจ้าเนะี่ตั้งให้เป็นเอกประคะในการที่ดูธรรมไดินรู้สุดนะอันนี้นะสักก็ยินสักกยินเ น, นี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นสุดยอดของธรรมะเลยนะสักตะวรู้เหมือนกันนะรู้สักตะรู้หมนก็เราเนาี่ยรู้ก็สักตะวรู้นะเคลื่อนไหวมือรู้ก็สักตะวัรู้ท่านั้นนะอันนี้คือสุดยอดของธรรมะแล้วทำไพระพญาเจ็บลุธรรมนันเร็วนะ พรมืาชาติก่อนก่ อ, อนที่จะมาถึงชาตินี้นั่นแหละเท่านก็เป็นพระพระสุสง์ซึ่งบวชในสมัยของพระเจ้าองค์ก่อนอคือพระกัสสป ะ, ะพระมหากัสสป ะ, ะ, ะคือพระตัวเจ้าองค์ก่อนคือพระกัสสปะคราวนี้ท่านก็กับเพื่อนห้างองคองง์เนี่ยรวมทั้งท่ห้าห้องค์ก็ขึ้นมาบนภูเขาเนี่ยพอขึ้งปป๊บก็พักบันไดลงมาเลยนะแล้วก็ตั้งใจว่าถ้าไม่บรุธรรม ก็จะยอมตายบนภูเขานั้นนะพอวันแรกก็มีพระองค์หนึ่งก็บรรลุเป็นพระหันก็บินก็เหาะไปไปบินบารมามีอีกสีองค์ก็ปรากฏว่าไม่มีใครยอมรับประทานหรือฉันกันนะพอวันที่สองก็อีกองค์แล้วก็บรรลุเป็นพระหันก็ขอไปอีกนะก็ไปบินบาร์ทหารมาองค์ก็ไม่ยอมฉันนะก็ปรากฏาบรรลุเป็นพระหันไปสามองค์ อีกองหนึ่งบรรลุพาณาคามีส่วนพระพญาไม่ได้บรรลุอะไรเลยกอ็อดอาาในทางไกลบนภูเขานั่นแหละนะ <Yeah. S 1> เพราะนั้นคือบารมีที่ท่านสร้างอย่างเต็มที่แล้วนะคือท่านก็ตั้งใจปฏิบัติต็มที่นะคือเอากายเนะ่ยยอมตายถวายชีวิตเพื่อบรรลุธรรมแต่เมื่อมาบรรลุนะก็เป็นมัก็เป็นเชื้อหัวเชื้อที่ทําให้ในชาติต่อมาทนะี่ฟังธรรมนิดเชื้อก็บรรลุเป็นบหาหลาเลยนะเพราะฉะนั้นคุณอาจารย์แต่ละองค์นะไม่ว่าจะเป็นอรูปเทียนอรูปมั่นนะนะ ดูคุบาร์จางในไหนที่ท่านเข้าถึงธรรมแล้วเนี่ยท่านจะมีของเก่าอยู่นะเพราะงั้นการที่เรามาปฏิบัติธรรมนี้จริงๆแล้วไม่ได้หายไปไหนนะมันก็เป็นเชื้อสะสมอยู่ในใจของเรานะเช่นเลขิษย์เนี่ยเราจะสะสมถึงเลขตกดเลขแปาแล้วก็ได้นะก็ไม่น่าเหมือนกันนะถ้าใช้ไม่ได้ไม่บรรู้ในช้ามากก็ง่ายแล้วหรือนะแล้ก็ไม่ได้หายไปไหนนะดีว่าเราเรีในทางรู้ตรงเยอะนะอย่างเรามาเราจบด็อกเตอร์ด็อกเตอร์ในช้เวลาเรียนจากอนุบาลถึงด็อกเตอร์นะ ไม่ตามแบบเก็บเอกสารสปีเกบเอกสารสตีนะทางรังบานเก็บบัคเตอร์นานมากไม่มิน้อยหรอกนะบัคเตอร์ยิ่งเล็กยินแคบไม่ได้กว้างนะเป็นยาตีอย่างกว้างแล้วเป็นบัเตอร์จะมีแบบล็กนะรู้เรื่องเดียวตรเล็กนะจะมันนี่พอตายไปปุ๊บเนี่ยชาหน้าก็มาเนกอไก่ขอไข่ใหม่เรียนเอบซใหม่ไม่ได้ไปเริ่มต้นเลยนะมเริ่มต้นใหม่ก็ใช้เวลา แล้วก็ไม้เป็นการทุนทุกเลยด็อกเตอร์จบมาแล้วด็อกเตอร์ก็ไม่ทุนทุกนะพอทุนทุกแล้วก็เก่าอีกเพราะว่ามาณะดิติสูงขึ้นสักการะดิติถูงขึ้นสักการะดิติสูงขึ้นนั่นไม่ทางที่จะบรรลุมาแต่โซดาบันนะเพราะฉะนั้นเราก็ศึกษาปฏิบัติไปนะค่อยมาตัวติมเขาก็เข้าเขวดน้อยลงไปเรื่อยๆนะสักการะดิติราลดน้อยไปเรื่อยๆเลยนะอันนี้เป็นสิ่งสําคัญนะยิ่งเราปฏิบัติแล้นะเรารู้สักการะไม่เก่งนะ เรารู้สึกว่าเน่ยตัวเราเล็กลงนะอันนั้นแสดงตัวตรงนตัวตนคนนนเนี่ยอาจจะเล็กลงไปด้วยหลสกาดที่ที่เราลวบลงแต่เราปฏิบัติตัวรูสึกว่าเราเก่คนอื่นนะคนอื่นสู้เราไม่ได้นะอี่แล้วก็สามารถที่จะควบคุมจิตใจร่างกายเราได้ตลอดเวลาจะทําอะไรก็ได้ให้จิตสงบก็ได้เนี่ยนะการที่หลักสกัดที่ที่เราสูงขึ้นมานะตัวตนเราก็สูงขึ้นเพราะนั้นการที่จะไปทำภาคส่วนบาลนี่ก็ยากนะ เพราะนกาบปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ยมลายความว่าความตัวตนนี้นต้องลดลงน ะ, นะอัตราตัวตนต้องลดลงนนไม่ใช่ทำแล้วเราเหนือยว่าคนอื่นเขา<ค> น, นะอันนั้นก็ไม่ใช่น ะ, นะเรามาสังเกตในจุดนี้นิดห น, นึ่งนะเพราะฉนั้นถ้าเราไปบัติไแล้วเนี่ยเราจะค่อยๆสังเกตว่าตัวตนเราเล็กลงไหมนะเห็นไหมยิ่งเราเปนเล็กลงเนี่้ความโกรธความหลงทั้งหลาก็จะลดลงไปด้วยนะมันก็จะลดไปตามอัตราตัวตนของเราเนี่นะเพราะฉนั้นก็ขอฝากไว้ในค่ำคืนนี้นะว่าะ ให้ตั้งใจระบาดไปเทศดนะแล้วถัว่ามาฝนนี้นะมาฝนนี้ที่ยิ่งฝนตกเยอะเนี่ยนะเป็นการปลูกให้ต้นสติ๊กนะเงินเติมจติมตโตขึ้นมาในพรรษานี้ไม่ได้ทุกทุกคนเลน ะ, นะอะขอจบอด้วยเวลาวินเทางนี้